แก่จนมาหลายตอนที่ไปก็ขอได้โปรดตั้งคำแนะนำกรรมาฐานในมหาจิตฐานสูตร คะสูตรนี้วันนี้แปลยัตนะคําว่าอายัตนะก็หมายถึงตาหูจมู ก, กลิ้นกายใจใช่ไมแต่เมื่อวานนี้เราพูดกันถึงรูปเสียงโนรกลิ่นรั ส, นสัมผัสวันนี้ก็เป็นเรื่องของตากระทบรปูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้ ง, รงกระทบรสกายกระทบกายสัมผัส ถ้าพูดถึงแนวนี้พระพุทธเจ้าทรงแนะนำถึงได้ก็อนาคามีหรือว่าอรหันาหายากไีนิดนะให้ขอขึ้นตนก่อนแล้วการขึ้นตนก็ต้องแนะนำด้วยอนาปานุปติเพื่อการจเจริญกรรมาฐานทิ้งนี่ไม่ได้ถ้าปฏิบัติตามแนววาสติฐานแลวสูจ่จริงๆญาติโยมทั้งหมดอาจจะไร้ผล ถ้าตอนปลายทำมาดุกวัฒนาเนี่ยเพราะว่าใครบ้างที่เวลานี้ได้สิกิทาคารมีมีไหมเป็นสิกิาคามีได้ยังถ้เกิดเป็นแล้วนะเกิดเนี่ยถ้าต่อจากสิกิทาคามีก็เป็นพระอนาคามีจากอนาคามีก็เป็นพระอรหรันนี่ก็เปฐานสูวนที่สูงคอยย้อนลงต่ำ อันดับแรกสิมันดา ญ, ญาโยมพู้บริษัททุกคนละไม่ได้ต้องทำทุกครั้งนั่นคืออนาปานุสติได้แต่การกำหับรู้ลมหายใจเข้าออกการรู้ลมเข้ารู้ลมออกเป็นเหตุให้จิตไม่มีสมาธิเร็วและก็เป็นการทำลายความผูกสาดของจิต แต่นั้นในกรรมฐานทุกแบบพระพุทธเจ้าจึงทรงแนะนำอนาปานุสติขึ้นตนอันดับแรกเขาญาณโยนทั้งหมดรู้ลมเข้าลมออกเวลาให้ใจใจใจเข้ารูาใ้ใจเข้าเวลาให้ใจออกก็ย่อมรู้ว่าให้ใจออกอันดับแรกนะถ้ารู้แค่นี้มแสดงว่าสมาธิยังอยากอยู่ แต่ว่าขอบรรดา ญ, ญาโยมทุกคนอย่าเร่งรัดสมาธิปล่อยไปตามสบายของอารมณ์ถ้าเห็นว่ายังอยากไปจับประเด็นกว่านี้จิตจะกลุ่มายที่สุดเกิดความรังคาทาไม่ได้จะเสียผลอันดับแรกก็แค่รู้ลมเข้าลมออกหายใจเข้ารู้อยู่หายใจเข้าหายใจออกรูู้่รู้อยู่ว่าหาใจออก อย่างนี้ท่านเรียกว่าการนิกาสมาธิเป็นสมาธิเล็กน้อยถึงแม้ว่าจะมีสมาธิเล็กน้อยก็เกิดเป็นเดียวดาเป็นนางฟ้าได้มีสิทต่อไปถ้าจิตชินทรงตัวรู้เข้ารู้ออกแล้วต่อไปก็อยากจิตให้ยาวกว่านั้นลมหายใจเข้ายาวหรือสั้นล้หาใจออกยาวหรือสั้นก็รู้ด้วยถ้าขณะใดจิต ทรงลมไว้ใจเข้าออกแบบที่รู้หัลโหมไว้ใจเข้ายาวหรือสั้นข อ, อกยาวหรือสั้นเวลานั้นกําลังใจในอุปจารสมาธิเป็นสมาธิเฉียดชานคำว่าสมาธิเฉียดชานอุปจารสมาธิตอนนี้จิตจะเป็นทิศความเป็นทิศของจิตจะเกิดขึ้นในช่วงนี้จะมีนิมิตต่างๆเกิดขึ้น ความจิงนิมิต่เกิดไม่ได้เพิ่งเกิดนี่มิขะมีอยู่แล้วยังเห็นภาพเทวดาบ้างนางฟ้าบ้างที่มานต่างๆบ้างภาพอย่างอื่นบ้างความจิงนิมิตอย่างนี้มีเป็นปกติแต่ว่าที่เราไม่เห็นจิตเราอยากเกินไปมีความเป็นคิดไม่พอพอจิตเข้าถึงโซนนี้ความเป็นคิดเริ่มเกิด เกิดตอนไหนจำวางฟังอีกครั้งหนะึ่งเกิดตอนนี้จิตรู้ว่าเวลานี้ให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นตอนนี้ยังไม่ต้องภาวนานะแต่ว่าญาตโยมทั้งหมดจะเริ่มต้นภาวนาควบคู่เข้าไม่ไป็ไรจะ ต, ต้องรู้ลงในใจก็ออกตอนที่วานี่เมื่อจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิอารมณ์เริ่มโปรง่งจิตเริ่มเป็นสุขอย่างนี้จะรียกปีติความอินใจเกิดขึ้นเฉียดชนัน ต่อมาถ้าเราลุ้มลมหายใจละเอียดคือเวิ้งเรานั้นเพื่อให้ใจเข้าจากจมกูกเลื่อยไปในอกถึงศูนย์เสน่ห์หาใจออกกระทบเลื่อยมารู้มสิทธึงปลายจมกูกอย่างนี้เป็นขั้นของชานเป็นชานที่หนึ่งด้วยชานที่หนึ่งนชานที่สองก็ยังรู้รมลมหายใจเขาออกชานที่สามก็รู้ถ้าเป็นแบบนี้เบื้องต้นจะเข้าถึงจุดชานที่หนึ่ง คำว่าชานที่หนึ่งในบรรดาญาโยงพระธรรมสัจบางคนอาจจะคิดว่าถ้าเขาชานมันจะแนบสนิทไม่รู้เรื่องอะไรเลยอันนี้ไม่ถูกชานที่หนึ่งยังได้ยินเสียงเสียงทุกอย่างยังฟังชัดเจนทุกอย่างยังมีความรู้สึกเป็นปกติแต่ถ้ว่าชานที่หนึ่งไม่รำคาญในเสียง หมายความว่าเสียงพูดดังขนาดไหนก็ตามเสียงร้องเพลงจากขยายเสียงก็ตามจากวิทยุก็ตามเราได้ยินทุกอย่างไม่ใช่มาได้ยินแต่ว่าขณะที่รู้ลไม่ใจเข้าออกก็ดีที่ภาวนาก็ตามจะไม่รําคาญในเสียงเสียงจะมียังไงก็ช่างเหมือนกับเสียงไม่มีจิตรู้ฟังฝูฟังรู้เรื่องในจิตไม่ไม่ไม่ของและไม่เกี่ยวข้อง ถ้าขณะใดจึงเข้าถึงระดับนี้ให้ทราบว่าเวลานั้นเข้าสังชารที่ไหนนี่สมมติว่าถ้าญาติโยมภาวนาด้วยถ้าไม่ภาวนาด้วยสังเกตชัน้นสองญาติตามปกติเราต้องภาวนากันพอเริ่มแรกทีเดียวรู้ลมเข้าลมออกก็ตามแล้วก็ภาวนาตามอย่างคภาวนาว่าพุทธโธให้ใจเข้านึกตามประคุธ ให้ใจออกมนึกตามมาถูอันนี้เป็นพุทธานุสติกรรมัฐานควบกับนาปานุสติได้ผลสองอย่างฉะนั้นถ้านาปานุสติด้วยพุทธานุสติด้วยถ้าใช้คํานาว่านะมะาพาาัทะนะมะาพาาัทะนี่ก็เป็นพุทธานุสติแต่ขยายเสียงขยายศัพท์ออกมานามะหมายที่ น, นามะเสการนพระหมายที่พระเจ้าไปยิทธาสี ถ้าใช้กําลังธาตุสีจริงๆเขาไม่พิจรารณาเขาก็ไม่ภาวนาเขาพิจารณาแทนนึกเรื่องกายไม่ธาตุสีดันั้นขณนะที่ภาวนาอยู่จะเป็นอะไรก็ตามสมารหลังก็ได้อะไรก็ได้ทุกอย่างขณะที่ภาวนาอยู่รู้คำภาวนารู้ ร, รู้ไม่ใจก็ออกแต่หูไม่รําคาญในเสียงอย่างนี้เป็นฌานที่หน ต่อไปถ้าเข้าทิ้งฌานที่สองขาโทษเขายอนนิดหนึ่งคำว่าฌานที่หนึ่งนี่มีองค์ห้าเอกวิตกวิจารปีติสุขเอกาตาคำว่าวิตกคือนึกวิจารคือใจต้องไขครวนนึกตามปีติมีความอิ่มใจสุขมีความสุขมากเอกตามีลมเป็นหนึ่งมาว่าไม่สำคัญในเสียง แล้วก็มีอารมณ์ท่งตัวนี่เป็นฌานที่หนึง่งถ้าถึงฌานที่สองฌานที่สองนี่จะตัดวิตกวิจาร์ทิ้งไปเราไม่ต้องช่วยตัดอารมณ์จะตัดเองคำว่าวิตกวิจารเมื่อี่นี้บอกว่านึกก็คิดตามญาติโยมอาจจะฟังเข้าใจไม่ชัดเมื่ออาตมาเองก็ไม่เข้าใจมาในการก่อนเหมือนกัน มาเข้าใจในตอนหลังว่าคำว่าวิตกวิจารคือคำภาวนาเวลาที่เรานึกจะภาวนาอันนี้เป็นวิตกขณะที่ภาวนาอยู่รู้ภาวนาถูกนั่งไม่ถูกอันนี้เป็นวิจารย์ือเราการปฏิบัตินะตอนนี้พอถึงชานที่สองเหลือองค์สามห้าเนเหลือสามตัดวิตกวิจาร์ทิ้งเพื่อจะปีติความอิ่มใจ สุขมีความสุขชื่นใจเอกะตาเมอารมเป็นหนึ่งตอนที่ตัดวิจกวิจารณ์วิโตวิจารณ์ทิ้เนี่มันก็จะรู้สึกตอนนี้คือหยุดภาวนาภาวนาไปภาวนาไปจิตใจลงทรงสมาธิสูงขึ้นจิตก็หยุดภาวนาป้ายภาวนาแต่จิตใจชุ่มชื่นรู้ลมไม่ใจเขาออกลมไม่ใจจะเบาก่อนสักนิดหนึ่งและจิตใจสบายมาก นี่ตั้งแต่ชาณที่สองที่สามที่สี่ทั้งหมดเนี่ยไม่มีคำภาวนาในหมายความเริ่มต้นเราภาวนาพอถึงที่สุดขึ้นชาณที่หนึ่งคำภาวนาก็หายไปเองไม่ถ้งช่วยนะน้ ว, ว่าสนาปานุปกติอนาปานุปนี้ถึงชานที่สี่พอถึงชาณที่สี่อย่างยากจะไม่มีความรู้สึกว่าหายใจ อากายเขาลมหายใจจะหยุดแต่ความจริงลมหายใจไม่ได้หยุดนั่นหมายความจิตมันแยกกับประสาทยแยกกับร่างกายพอถึงชาติหนึ่งก็แยกไกลไปนิดหนึ่งชาติสองก็แยกไกลไปหน่อยหนึ่งชาติสามก็แยกไกลไปหน่อย่จิตไกมากกว่าไปพอถึงชาติสี่จิตไม่ยอมรับรู้เรื่องประสตา์เลยร่างกายจะปวดจะเมื่อยจะหนาวจะร้อนมันไม่รับทราบ ไปแยกกันเองใครตอนนี้จิตจะมีความรู้สึกเหมือนร่างกายไม่หายใจแต่ความจริงร่างกายหายใจแต่เ น, นร่างกายหายใจเจ้าีพลังงานใช้พลังงานน้อยรู้สึกมีความมั่ใจเบาลงถ้ามีความรู้สึกเหมือนไม่หายใจชา้นที่สี่มีสองชั้นชั้นหนึ่งสองสานี่มีสามชั้นจะไม่ขออธิบายนะชา้นที่สี่นี่มีสองชั้นอย่างหยาบกละเอียด ชั้นหนึ่งสองสามมีสามช้นคือมียางหยาบยางกลานหยาดละเอียด น, นี่ขออธิบายว่พาะชั้นที่สชั้นถ้าถึงจิตถ้นทานที่สี่จะมีความรู้สึกหนึ่งไม่หายใจการจริงร่างกายหายใจแต่เราจิตไม่รู้สึกก็แยกกันอีกท่านราการที่สองขั้นหน่ายเครื่องเเสียงตั้ง ใ, ใกล้ๆอย่างมากๆจะไดยินแววเล็กน้อยนิดด เ ส, เสียงดังๆนะจะมาเคยลองถ้าเข้าถึงชานสียอยา่างหยาบมันจะดังนิดเดียวแล้วเสียงแว่วน้อยๆสี่คำในหูต่อไปถ้าเข้าถึงชานสีละเอียดจะไม่รู้สึกไม่ยินเสียงเลยในช่วงนั้นอะไรกระทบกรทั่งกายเราไม่รู้ไม่รู้หมดเพจิตไม่รับทราบเรื่องทางร่างกาย อันนี้อธิบายอยนี้เพื่อให้ท ร, ร, ราบผมก็นาบานุติกรรมฐานว่ากายกำลังรู้ลงมัดใจก็ออกที่เข้าถึงชานสี่ไม่ใช่เป็นชานเล็กน้อยคือว่าเป็นกรรมฐานใหญ่มากทอนนี้การฝึกสมาธิถ้าเรามุ่งแต่สมาธิอย่างเดียวจุดหมายปลายทางมันก็ไม่ได้การฝึกสมาธิถ้าฝึกให้ถูกจริงๆ บางคนจริงๆก็ต้องเขียนสังโยชนสิบราการไว้ด้วยต้ามีเขียนบา ร, รมีสิบรายการไว้ด้วยบารมีสิบราการมีอะไรบ้างเขียนวางไว้ข้างที่นอนสังโยชนิสิบมีอะไรบ้างเขียนวางไว้ข้างที่นอนสังโยชน์เราต้องเลือกตัดระยะตัดเฉพาะอันไหนสมมโสวดาวันจัสิกิท า, า, าคามีเรือนาคารมีเรือหลานต้องค่อยๆตัด ตามกํากลังนี้เพิ่งจะทําได้หากโหลไม่ได้แต่สําหรับบารมีสิบมีความจําเป็นต้องรักษาให้เขากำลังใจต้องครบตื่นขึ้นเชา้าท่านแนะนําว่าต้องอ่านบารมีสิบก่อนเขาตื่นขึ้นมาอ่านเลยว่าบารมีสิบมีอะไรบ้างอยากถือว่าจําได้เพราะถ้าถือว่าจําได้เฉยเอมันไม่เตือนใจพออ่านบารมีสิบก็คิดว่าวันนี้ทั้งวันเราจะทรงบารมีสิบให้ครบถ้วน การตั้งาพาดตั้งเผยยอมมีเป็นของธรรมดาแต่วันนี้เหลือไปบ้างพวกนี้แล้วก็ไม่ยอมเผอพวกนี้เหลืออหน่อยมาเลแล้วไม่ยอมเผอไม่ช้าก็ชินถ้าบารมีสิบทรงขั้นต่าขั้นต้นแล้วก็สามารถเป็นโสดาบันสกิทาคามีได้ถ้ามีความเข่งเข่งน้นกลางแล้วก็สามารถเป็นพระอนาคามีได้ ถ้าบารมีสิทั้งหมดครบพ้นบารมีเต็มจริงๆที่เรียกว่าบารมิตบารมีคำว่าบารมัตบารมีคือกําลังใจเต็มไม่เคลื่อนทรงตัวเสมอมีความแน่นไม่ขยับคือไม่พลาดในบารมีสิทอย่างนี้เป็นพระราหานได้ขณะที่เราฝึกก็ต้องดูสัญญชน์สัญ ญ, ญาตบารมีสิทธิ์คือหนึ่งส ก, กาญาติทิที่มีความรู้สึกว่าร่างกายนี่เป็นเราเป็นของเรา สวิจิปชาสงสัยในความดีรสยถาธรรมพระอเดยสงสามศิลปตระตปรามาดไม่มีความมั่นคงในศิลแล้วก็สีรูปราคะเออเส้นสี่กรรมฉันทะมีความพอใจในกามอารมณ์แห้าปริภะกระทบกระทั่งใจไม่ได้โกรธแล้วหกรูปราคะหลงในรูปฌาน เจ็ดอารมณ์ราคะหลงลแลอารมณ์ชั่นแปมานะถือตัวเท่ตนเข้าอุตจัดมีความฝ่อจิตฟุ้งซ่านสิบวิชาไม่รู้จริงคือรู้ไม่ละเอียดจริงทั้งหมดนี้ก็เรียกกิเลสเป็นเครื่องรอยรัดต้องสองวันจะพูดถึงสันโยชน์ให้กิเลสสิบรายการในความจริงเราปฏิบัติกรรมฐานเพื่อวัน น, วนี้ผ่านแล้วตัด10ประการนี้ตนเอ ถ้าไม่รู้กิเลสสุเาการจริงไปไม่รอ ด, ดนี่การจะตัดก็ต้องตัดแค่สามก่อนคั้นกายยติถิวิจิชาสิทธัปตะปรามาตถ้าตัดสามอย่างนี้ได้เป็นปโสดาบันสิกธาคามีถ้าตัดได้ห้าอย่างเป็นพระนาคามีตัดได้สิบอย่างเป็นพระรานรั้นแรกต้องมุ่3สามอย่างก่อน ถ้าสามอย่างต้นถ้าได้ให้มงกตตรามเลยถ้ามีกี่ลัทธ <c oughs> ตอนนี้ก็มานั่งไข้โคโนสกายะสัญญอดสามในการเมได้บ้างที่เราต้องตัดก็หนึ่งสงกายเจติติอารมณ์ที่คิดติดว่าร่างกายมันเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีเราอันนี้ผิดแต่ยังเล้อกยังตั้งแต่แค่นี้เลยนะนพี่อาอรรันอรรรมารหันท่ารมัสวดา บ, บางังสกิทาขามี ให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้มันต้องตายมันไม่ตายวันนี้ก็ตายวันหน้าไม่ตายวันหน้าก็ตายวันนอนเดือนนี้ไม่ตายเดนนือนหน้าก็ตายปีนี้ไม่ตายปีต่อไปก็ตายแต่คิดว่าอาจจะตายเดี๋ยวนี้ไม่เสมอจะได้ไม่ประมาทในการทำความดีถ้าคิดไปหลายปีหลายเดือนหลายวันจะตายแล้วก็ประมาทจะไม่ถึงเวลาจะตายไม่ต้องสร้างความดี ถ้าเอนใบพังเราตอนนั้นมันจะพังกันใหญ่รอใบจะบูมก็จะคิดว่าออวันนี้อาจจะตายต้เดี๋ยวนี้อาจจะตายแต่การคิดถึงความตายก็ไม่โสดาบันไม่หยิคิดทั้งวันพระโสดาบันจะ ม, มีเผลอถ้าต่อไปก็จิตใจใช้ปัญญานึกถึงความดีพระเจ้าประธรรมพระอริยสงฆ์ใช้ปัญญาใข้ควรก่อน คิดว่าตันดีพอแล้วก็ยอมรับทักงผีต่อไปศีลประสาบประมาตตั้งใจรักษาศีลโดยเคารพเคารพหมายความว่าไม่พยายามระมิดจิตบังไม่เป็นพันเมื่อที่ไปถ้าจะทำสมาธิการัำสมาธิสามก่อง น, นี้หนึ่งนึกกว้ชีวิตที่ต้องตายสองนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ได้กกความเคารพจริง สามมีสิบร์สุทนิ์หรือกกำหนดสิบริสุทธิ์และก็สี่โอสมานุปฏินั่นถึงมไม่ผ่านไปที่ไป <c oughs> ตั้งใจเว้ตามนี้อย่างน้อยที่สุดถ้าเป็นมัศดาบันแล้วก็ปิดอวัยภูภูไม่ต้องลงอวัยภูภูบา ท, ทั้งหมดที่ทำมาแล้วไม่ผลนี่ว่ากันตอนต้นพอที่ญาติโยมก็จะทำได้นะต่อไปนี้ขอเข้ามาติานสุรอาญตนะ อยายตนะบัปอยายตนะนี่ท่านพูดถึงตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นติ้งกับรถการสัมผัสกับร่างกายพกาถูกต่างๆอันนี้การที่ท่านแนะนำก็บววาว่าเมื่อตายเห็นรูป ก, กม็มีความรู้สึกในรูปไม่มีการทรงตัวก็เหมือนกันถวน เหมือนใช่ไหมลุงโรคไม่มีการทรงตัวมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นเมืมีการเสื่อมเรื่อยไปทุกวัยและมีการสลายตัวที่สุดตายนอกจากนั้นโรคที่ทรงตัวอยู่ยังเต็มด้วยความปศกเศร้าโรกเต็มไปทุกเวทนามีความหิวมีความกระหายมีความเดือดร้อนป่วยไข่ไม่สบายเหนื่อยในางาน โลความร่างกายเอาดีไม่ได้น้ำเลือดนเหนือน้หนองก็เป็นของสุปกปกในร่างกาย <c oughs> ถ้าจะแนะนำว่าจงหยุดสัญยอดสัญยอดแหวกกิเลสโดยเรื่องรอยรัดรูปจะเป็นกิเลสรอยรัดใจถ้าเราติดในรูปอันนี้ต้องค่อยๆนะยาหักโคมวันหนึ่งเราตัดได้สองนาทีก็พอ ก็คิดต่างความจริงในรูปนี่ความจริงไม่มีสภาพส่งตัวเราจะถือว่ารูปเป็นที่อาศัยเป็นที่พึ่งนั่นไม่ได้รูปมันแก่มันเสื่อมทุกวันและก็ประกอบด้วยทุกเวทนาทั้งหมดนรที่สุดมั่อรตายพระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าจงอย่าติดในรูปเมื่อเห็นรูปแล้วให้เห็นผ่านไปเฉยๆและไม่จิตไม่ติดใจในรูป ที่เราเห็นด้วยตาความจริงเป็นรูปภายนอกเขาตัดง่ายติดใจในรูปนั้นชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ตัดได้แต่รูปข้างในคือรูปเราที่มีความสําคัญมากต้องตัดที่ตัวเราถ้าตัดที่ตัวเราได้ก็ตัดที่คนอื่นได้คนอื่นตัดไม่ยากตอมากเรารังเกียจคนอื่นได้แต่ตอนเราไม่รังเกียจตัวเราก็ต้องหันเข้ามาหาตัวเรา ว่าสิ่งสกครกทั้งหลายแหลของรูปในตัวเรามีบ้างไหมเอาไปมองด้ดูว่าน้ำลายในปากน้ลายอยู่ในปากกืนได้เพราะโงดามือแตะไม่ได้รังเกียจนั่นน้ำลายมาสัสโครกน้ำเลือดจำเหลืองในหนองในร่างกายเลือดเราต้องการเฉ <c oughs> พาะเลือดนะ้ำเลือดน้อยไปร่างกายไม่ปกติจึงต้องขอเลือดเขำไมใช่ ความความเลือดเป็สิ่งที่เราต้องการแต่ถ้าว่าท่านเลือดไหลมาจากร่างกายเราลังเกียดก็แสดงว่าเลือดเป็นสปกปรกน้ำเหลืองน้ำหนองก็สปกปรกเช่นเดียวกันคราะความร่างกายขณะที่ทรงตัวอยู่ก็เต็มไปด้วยความสุขรกทั้งโคกร่างกายเรานะาะวัชระปัสสวะอยู่ในร่างกายเราเก็บไม่ได้ถ้ามันเคลนออกมาจากร่างกายเราลังเกียด แล้วร่างกายจะห่อสิ่งโสโครกเอาไว้เมื่อพิ น, นาตายตามความเป็นจริงปกติมันก็สุกกับโหลกโสโครกแล้วมันก็เสื่อมทุกวันมันก็ตายในที่สุดเรามีทุกร่างกายตัวเดียวก็ใช้ปัญญาต่อไปว่าว่ า, วาเราคนจะมีร่างกายอย่างนี้ไหมมันยงตัดตัวนี้เป็นอะไรยัง ไ, งไงะเป็นไหมแต่เป็นเป็นปกติเวลาเป็นยังไงต <laughs> นะ้องตายแค่นี้ ถ้าเห็นว่าร่างกายโทกลเกิดความเบื่อร่างกายเอาร่างกายเราร่างกายชาว บ, บ้านไม่เกี่ยวมันต้องเกี่ยวเหมือนกันแยังไม่ต้องเกี่ยวก็เกี่ยวเขาเกี่ยวแล้วก็สลัดง่ายร่างกายเราสลัดยากถ้าเห็นว่าร่างกายเราโทกละบกโสมโครกมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีการแปรผลขั้นกลาง ม, มีการสลายตัวในสุดเราต้องมีทุกข์เพร่างกายเป็นสาคัญต้องทำมาห้จิตพระ่างกาย ต้องเน็ดเลยเพรร่างกายต้องป่วยไข้ไม่สบายเพราะมีร่างกายต้องมีความตายเพราะมีร่างกายความรังเกียจในร่างกายเกิดขึ้น <c oughs> ย่าลืมนะถ้ามีความรังเกียจเกิดขึ้นความเบื่อหน่ายในร่างกายเกิดขึ้นอย่างนี้ถ้เลือดนิทิทยายันการอย่างนี้เราจะได้สักวันสองนาทีก็หน้าพอใจถ้านิ่ิท า, ายายเกิดขึ้นเกิดถ้านิ่ิีทายายเกิดติดต่อกันทั้งวัน ท่านคนนั้นเป็นพระอนาคามีไม่อยากนะไ ง, ไง่ายงแงง่ายงแงแล้วต้องคิดนะก็ อ, อย่าลืมรับฟังไ้ก่อนพุทยาาตจะแนะนำไ่ก็ฟังของท่านไ้สัตว์วันหนึ่งข้าม้าเราต้องได้แน่ต่อไปทั้นบอกจงอย่าสนสนใจสิ่งใดนๆนทั้งหมดในโลก ร่างกายเราร่างกายเท้ารูปก็าตามเสียงก็ตามกลิ่งก็าตามเลี้ยรถก็าตามสัมผัสก็าตามไม่สนใจมันเลยเมื่อก็ต้องกระั่งเข้าสัมผัสก็เฉยๆเห็นโูกสวยหรือไม่สวยก็ยยเฉยๆกปินหอมหรือไม่หอมก็เฉยๆจิตมันเฉยอย่างนี้ถเรียกสังขารเปรคาญาณ <c oughs> สังขารและเปรคาญาณคนพยายามทำกันไว ทำสักวันให้ได้วันละสองนาทีใจเฉยใครไงก็ฉั่งเพาะมันมันอยาจะด่าล้วก็เฉยมันด่าตามชอบใจใหญ่ทายก็เฉยนินทาททนตามชอบใจนะอะไรจะไปอรมาจะตามสงบจิตเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้ น, อ, น, อ, อ, นย อ, อย่างนี้วันละสองนาทีพอถ้าถ้าทําได้งสองอย่างดังเกต ร, ร่างกายสักสองนาทีเอาจิตใจวางเฉยสักวันละสองนาทีเ <c oughs> พียงเท่านี้นะ ถ้าจะตายเมื่อไรปฏิพาน์เมื่อนั้นไะไปฏิพาน์แบบไหนจะบอกว่ารักเกินไปไม่รักถ้าเข้าใจแล้วไม่รักนั่นก็คือว่าเวลาที่เรามีทุกเวทนานหนะักก่อนที่มันจะตายเจ็บหปวดทั้ร่างกายไอ้ความต้องการในกิเลสเวลานั้นมันไม่มีความรักเต็หว่างเพศไม่เกิดในเวลานั้นเที่ยวกรรมไปสั่นท่า พระความโลภไม่เกิดในเวลานั้นมันจะตายเกิดอะไรไหมโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอยลงลองคลางนิดอยาได้เลยนะหความตัวใหญ่จะไปฆ่าใครก็มีมาลุกไม่ขึ้นน่้มันเจ็บจะตายในที่สุดการเห็นว่าขันห้าดีมันก็ไม่มีขันห้ามันเต็มด้ความทุกข์แบบนั้นในเมื่อเราไม่ในเมื่อคํว่าเห็นว่าขันห้าดีไม่มีเนี่ยจะดูว่าขนาดที่มีทุกเวทนาอย่างหนักขี้เล็ยเอย่างอื่นไม่เหลือ มันยังมีอยู่ทั้งเข้ามากวนใจไม่ได้ประใจมันปวดใจป็นเจ็บใช่ไหมก็เหลือแต่ตัวเจ็บตัวปวดความรักระวังเพศแต่เป็นการมาชันท้ากิเลส ก, ก็ไม่มีโลภะความโลภทั้งสองอย่างเป็นรากเงารากเม่งที่เป็นกิเลสมันก็ไม่มีโทสะความโกรธก็หาไม่ได้มุหะความหลงในร่างกายก็หาไม่ได้ในเมื่อจิตมันบ้าอย่าราคะโลภโทสะมุหะในเวลาที่ป่วยหนัก ตอนนี้ตอนดีๆจิตเรามีความเคยชินเคยคิดรังเกียจในร่างกายนิดหนึ่งต่อหนึ่งวันเคยวางเฉยนิดห น, นึ่งต่อหนึ่งวันในร่างกายอารมณ์นี้มันจะเข้ารวมตัวมันจะเกิดในการมีความรู้สึกเฉยๆที่ว่าร่างกายไม่มีความหมายสาหรับเราถ้าตายเมืไรหวังนี้ผ่านมานั้นอันนี้ฉันเคยผ่านมาแล้วนะเวลาค่วยานักเจอมาแล้ว ถ้าจิตคิดเพียงอย่างนี้จิตไม่พอใจร่างกายอย่างเดียวตายเมื่อไรตอนนี้ผ่านมานั้นมี่วันนี้เราพูดกันแค่รูปมาเถยงเสียงถึงกลิ่นลิ้นรถก็เหมือนกันไม่สนใจมันเลยถ้าหางก็หูฟังเสียงเสียงมันก็ผ่านไปไม่มีการทรงตัวไม่ขังอยู่เวนตากลิ่นมาแวบหนึ่งถึงก็หายไปเที่ยวกลิ่นมานัสตาไม่มีการทรงตัวไม่ถือมัน คลื um, อมความว่าวันนี้ขอแนะนําบรรดาญาติโยมพระทวายสัตว์ทุกท่านอันดับแรกอย่าลืมอนาปานสตมณานอนาปานติกรัณฑานนั้นเป็นกําลังทั้งชานิสีเป็นกําลังส่วนใหญ่ทําวิพัฒนายานที่พูดเมื่อกี้นะยตนะอำไปวิพัฒนานะและหลังจากนั้นใช้ธรรมนาควบคู่กับลมหายใจทีาออกอันนี้ไม่ห้ามจะภาวนาว่ายังไงก็ไม่บรรลุ ตามชอบใจแต่และแต่สะดวกแต่กํากำลังสำคัญส่วนแรกอย่าลืมตัดสังโยชน์สามหนึ่งมีความรู้สึกว่าร่างกายจะต้องตายไม่ติดร่างกายเกินไปสองมีความเคารพในพระเจ้าประทานพระเดยสงฆ์สี่แล้วก็สามมีศีลบริสุทธิ์กำหนดสีลบิสุดธิ์และอารมณ์โดยเฉพาะหวังไม่ผพานเป็นอารมณ์เพียงเท่านี้เดือนมินาายโยมพุทธบริษัท ถ้าทรงอารมณ์นี้ได้ท่านจะเป็นพระอนาคามีแล้วไั่เปลี่ยนเป็นสานนัไม่เป็ น, ป น, าาปนก็ไม่สําคัญถ้าเราคิดว่าตายเมื่อไรเพราะปฏิพานม์นั้นมันยังฝังอยู่ในจิตเพราะพระสูดาบันที่ว่าพวกเข้าถึงกระแสปฏิพันธ์เข้าเขตปฏิพันแล้วแต่ว่าประสดาบันที่ได้ยังไม่ต้องเลิกการแต่งงานนะคนยังไม่แต่งงานก็แต่งงานได้ที่แต่งงานแล้วก็ไม่ต้องเลิกกัน ว่าปัโสดาบักนก็นีสิกิทาคามีก็ดีทุกอย่างยังมีครบถ้วนในเ ม, มตตาว่าไม่หลงในร่างกายเกินไปเท่านั้นยถึงถือความตายเป็นลมมีสินห้ามปริสุทธิ์ทุกอย่างในนิขอบเขตของสินห้ายังมีความรักในหวางเพศแต่ไม่ได้มิดใจด้วยความรักไม่ทําคาเมียคือเชื่อตรงในสามีปัญญาทั้งตัว ความอยากรว ย, ยังมีแต่ไม่คดไม่โกงใครเป็นสัมมาชิวะหาเรื่องชีวิตเลยชอบความโกรธยังมีแต่ความโกรธไม่รู้ตัวนาถึงฆ่าเขามันยังโกรธอยู่นะยัด่าคนเป็นระโสดาบันไม่เชื่อลองนดิต้องเป็ น, พ ร, นพระสงโสดาบันนี่ยังด่าคนเป็นชีธาคารีด่ายากนิดยังด่านะโอปีโอปีเบาๆให้พระอนาคามีด่าไม่เป็นถ้าด่าก้อยู่ แกล้งดาบุงเวงเวงไม่โกรธจริงนะครับมีไม่ไ ม, ไ ม, ไมีโกรธแต่ถ้าทางในการคิดโกรธอาจจะมีเพื่อการคงขู่บังคับและกลามคนนี้ไม่ทําชั่วแต่ก็ถึงพระหลันพระหลันก็เงียบทุกอย่างแต่ไม่เงียบจริงยังก็เนีม่มฉันโผล่ประกอบด่าพ่อด่าแม่เม่ได้ด่าฉันนะโคตรพ่อโคตรแม่มึงแล้วก็ฟังน้องปู่ถ้าไม่ไ ด, ด่าเรานะท่านด่าโคตร พ, อพอ่อโคตรแม่คนนี้เลยตายหมดแล้ว คนสุดสามวันทัานแทแง่เจอหน้าตาเจอหน้าตาได้ไม่เลี้ยงเลยเลยยังไม่คุยเลยเข้าวัญอ่ะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนพอถึงวันที่สามสิ้นไปขวันที่สี่ท่านถามมึงไม่โกรธกูเลยโอ้ไม่โกรธครับมึงทำไมไม่โกรธกูเขาบว่าปู่ไม่ไดด่าผมะปู่ด่ามึงแต่ปู่ด่าผิดฉไปด่าโคตรพ่อแม่โคตรพ่อแม่ผมหนึ่งมาตายมานานแล้วไอ้ยักษ์แม่กูเสียช้ากูแล้ว เลิกด่าดีมากในยดีที่สุดต่านลองสมัยก่อนเขาลองในกรรมาฐายก็าถือเอาจริงมาถ้าก็ลองสํานักที่น้ําคันจริงเขาตดลองก่อนจิตใจไม่นักแน่นพอก็ไม่สอนหรอกเสียเวลาเขาถ้าตอนนี้ไปขอจะไดาญาติโยนทุกคนต้งใจสม า, าทานกรรมฐาน